ของข้าพเจ้าเป็นสมาธิสติปัวัารูธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงในคำสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุท้า อุปปันตุโธรรมังโมุฟังตุโัง แล้วสัมบูรณมอาคำว่าพุทโธเปียคำเดียว ใจจำอดีตกรมภาวนาภูมิภูมิภูมิภูมิูินึกูด้วยความรู้สึกเบาเบาย่าไปข่มจิตยาไปบังคับจิตแต่ว่านึกภูมิไม่จุกผตกำหนดผู้ลมหายใจเข้าหายใจออก ควาปรับผู้โตเข้าผู้โลมเข้าผู้โตลมเข้าโตลมโตกำหนดรู้ความเป็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสมบเมื่อไรจิตจะวางเมื่อไรจะรู้นูน่นเข็นนี้ ไม่ต้องไปนึกทั้งนั้นหน้าที่เพียงแค่นึกปริกำปาวาพทะตาอยู่ในจิตยทางเดียวจะสงบให้เป็นเรื่องของจิตเองจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นเรื่องของจิตเอง หากในขณะใดที่ยังนึกคู่คู่อยู่ก็คยให้นึกอยู่อย่างนั้นขณะใดนึกไปจิตกู่คู่ไปนิ่วางอยู่เฉยแต่รู้สึกกายเบาจิตเบากายสงบจิ สงคือสองบจากทุกเวทนาหายปวดหายเมื่อยหายมึนแม่จิตจะไปนิ่งอยู่เฉยๆก็ปล่อยให้นิ่งอยู่อย่างนั้นหลังจากนั้นถ้าว่าจิตหยุดนิ่งไม่น้อสูงสิ่งใด โดยให้จิดคิดไปแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปทรรายาติของจิตถ้ามีความคิดเราตั้งใจกำหนดรู้เขาจะหยุดคิดแล้วเกิดความว่างขึ้นมาให้กำหนดรู้อยู่ที่ความว่าง ถ้าเก็บรู้อยู่ที่ความคิดสลับกันไปอย่างนี้อันนี้เป็นการภาวนาในขั้นต่ำเจ้าว่านักปฏิบัติของเรายังไม่ได้สมาธินแน่นอน ที่พิจารณาดูทางเป็นของนักปฏิบัติทั้งหลายทั้งบับบจิเและกะ็เรื่องผู้ที่ทำจิตให้เก็นสมาธิใด้จริงๆริงี่มีน้อยสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะนักปฏิบัติทั้งหลายไปทิ้งสุขก่อนห่าง รูร้คามสัญญามากกว่าความเป็นจริงไปสำคัญว่าเรามีความรู้เรามีความเห็นแต่มันเป็นความคิดรู้เอาโดยสัญญาเป็นเต่เพียงสติสัญญาธรรมดาแต่ยังไม่ใช่ปัญญาในสมาธิ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 เหนสมาธิปัญญาประชุมพร้อมลงที่จิตเป็นหนึ่งหนึ่งก็ตัวปกติที่รู้ตื่นโบมานอยู่ภายในจิต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 ที่พอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามมากระทบเวงเข้าไปสูจิตแทนที่จิตจะไปวุ่นวายทำความดีใจเสียใจกับสิ่งที่มากระทบจิตเพื่อเข้าไปกำหนดรู้ที่จิตเล่าพิจารณาเหตุผลแห่งอารมณ์นั้นๆ แล้วก็ดำเดินก็ไปสู่กามสงบนิ่งว่างสว่างรู้อี่นเบิกบานนี่ถ้าสมาธิมีอยู่โดยปกติแล้วจะเป็นอย่างนี้โู้ิี่ทำสมาธิภาวนาได้สมาธิได้สติ เมื่อตัยังไ้อุปจาระสมาธินมีสติสัมเนธุเตรียมซ้นอยู่ที่ิสตลอดเวลาเมื่อมีอารมณ์อัายผ่านกขมาทางตาหูจมูกจินตาละใจ ปฏิสัมพันธ์หน้าตัวนี้เขาจะทำหน้าที่ของเขาทันทีแล้วปฏิสัมพัตัวนี้จะคอยระมัดระวังอยู่ที่ปาหูสมูกลิ้นกายแต่จันมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา เวลาอยู่นิ่งๆทนเดียวจิตจะวิ่งเข้าไปถูสมาธิค้ามคิดจดจดาอยู่ภายในกายในจิตแต่ถ้ามีสถานกาแณ์สิ่งแวดล้อมที่ผ่านเข้ามาในทางตาหูจมูกลิ้นกายในใจ จิตะมีสติสัมปชัญญะรู้ต้อมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อาลงบันไดไปสู่สังคมของโลกสติสัมปชัญญะจะรู้ต้อมอยู่ที่การก้าวตัวเวลาหุดเตือนยืน สติสัมปชัญญะจะรู้ท้อมอยู่กับการยืนเวลานั่งลงสติสัมปชัญญะจะรู้ท้อมอยู่ที่การนั่งเวลานอนสติสัมปชัญญะจะรู้ท้อมอยู่ที่การนอน เวลารับทานสติสัมปชัญญะจะรู้พ้อมอยู่ที่การรับทานเวลาดื่มสติสัมปชัญญะจะรู้พ้อมอยู่ที่การดื่มเวลาทำอะไรสติสัมปชัญญะจะรู้พ้อมอยู่ที่การทำ เลาผู้สติสัมปชัญญะจะกำหนดตัวอยู่ที่การผู้เวลาเอสสติสัมปชัญญะจะตามรู้ตามคิดตลอดเวลาเมื่อสติกำหนดตามรู้สิ่งเหล่นี้อยู่ทุกขณะิตทุกลมหายใจมีปัญหาข้องใจอะไรเกิดขึ้น จะมีสติกำหนดพิจารณาสิ่งนั้นตั้งแต่ต้นจนปลายจนรู้เหตรู้ผลรู้ผลได้ผลเสียแห่งสิ่งนั้นๆั้นสิ่งใดที่ทำลงไปพโลกลงไปคิดลงไปมันจะมีแต่ผลเสียสติสัมปชัญญะ เองก็จะาะจะหาสิ่งใดที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นทางเคิ่มคุ ณ, ณธรรมที่จะปฏิวัติจิให้ไปสู่มรรคผลนิพพานสติสัมปชัญญะก็จะกระตุ้นตัวให้รีเรลงมันขยาย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 ต้องเราจะทำหน้าที่ให้การอบลมตัดเตอนสั่งสอนเรื่ยไปด้วยความเมตตาบานีด้วยความหวังดีที่จะช่วยพยุงความกระตุ้ปาบาจารไดใจให้มีระดับสูงขึ้นแทนการสงเคาะกันด้วยซำ การแสดงความเมตตากันโดยธรรมแต่ถ้าก็่วงใดผู้ใดไม่ยอมรับฟังว่าว่าทำสั่งสอนจิตของผู้รู้พิจารณาแล้วว่าทำไปก็ไม่เกิดประยู่์นอกจากจะทำให้โสดมีการ ล, ล่ารานแตสมมกสามะคีเส่งกันกัน ที่มีสมาธิมีสติมีปัญญาจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะการกระตุปฏิบัติธรรมนี่มันอันพ้นอยู่กับสมรรภาพของผู้ปฏิบัติเอง ผมเด็กสมมาสำพวกเด็กดาไม่เคยกล่าวอ้างว่าฉั้นจะหยิบยื่ น, นม่าผมได้ทานให้เธอเธอคงรับเอาด้วยมือทั้งสองข้างไม่เคยมีคากล่าวไว้ที่ไหนแต่พระองค์จะกล่าวว่าอัปาตาโร บาปทางบุญทางกุศลทางบุญทางบาปทำสิ่งนี้เป็นบาปทำสิ่งนี้เป็นบุญกำหลดทำจิตให้เปี่ยอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งละลุกจิตเพิ่งได้สมาธิได้สติปัญญารู้ทำเห็นทำตามตามเป็นจริง กองปีงาวนั้นเราประสาวอก็หยุดยืนให้เธอไม่ได้เธอตั้งสาระกำลังกายกำลังใจปกปพดปฏิบัติบอ บ, บ, บีระบุตราสระทีวิตเขาต้าสู่น้างสมคามโดยไม่ย่นยอไม่ไม่ย่ออ และไม่มีความวานสนาบินิหารของข้าศึกแม้แต่ระการใดนักปฏิบัติทั้งหลายผู้มีจิตใจเข้มแข็งยอมยนเสยบสละที่เที่ยัวภูชาพ่อวัดปฏิบัติ ไม่เห็นแก่ความสุขเพียงเล็กน้อยไม่เห็นแก่พาแก้พ้ไม่เห็นแก่คว า, ามสุขความสบายสนุกเพิ่เพราะความสนุกเพิเมิูงความสบายที่เป็นไป ต, ตามกระแสแห่งโลกโลกนัน้นมันมีลักษณะเปรียบเทียบสนปัจชญ์เพิษโพลน้ําตา เรายังหลงอยู่ในราภกสันเสมในความสกแต่อำน า, นาจนั่นใหะเราหลงติดอยู่ในยากิษพวมน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปแล้วมันเกิดมีรสหวานแต่ก็ไปตกถึงต้องแล้วมันทำให้ปวดแส บ, บปวดร้อนเราแ ะ, ะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เราทำไป เราเก็บว่ามันจะการถูกต้องตัวมันถูกต้องตามตามรู้สึกนึกคิดของเราแต่มันไปนผิกกดกฎของธรรมชาติที่มันจะทําให้เกิดบาปทำในขณะที่ทําเราอาจจะมีความดีใจสนุกก็เปแต่เมื่อทําทลงไปแล้วเราจะรู้สึกว่าสวจตอน เพราะการทำผิดถ้าทำรมพินในมันจะเกิดเีิดร่อนวิตปฏิสารอยู่ตลอดเวลาเรียกผลประโูนผู้ร้ายที่ไปจีบต้นตัดช่องว่างเบาแย่งจิงทรัพย์สมบัติของตนอื่นมาเป็นของตน ในขณะที่เขาทำทานอยู่นั้นได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการเขาดีอกดีใจบางท so like ีต่อที่สิ่งต่อความสุขก็ได้สิ่งนั้นมาต่อความสุขที่เขาได้มานั้นสิ่งที่เขาได้มานั้นนั่นแหลคือยาพิษที่ต้มน้ำตาลได้มาแล้วจากบรี๊ดพวกประวัติละแวงเอาไปไว้ที่ไหนประวัละแวง วางบทตอนให้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นสมณะหรือนักบวชนักปฏิบัติทั้งหลายที่หาความตรงรับทักดีหาความสู้ตัต่อก็ทรมวินัยหาความสู้ตรงต่อคำสอนของสมเด็จทสมาสามพุเกิเจ้า ให้แอบทำบาปกินดูแต่ก็ตัวแม่คนอื่นไม่เห็นแต่ตัวเองก็เดือดร้อนก็รู้ว่าตัวเองเป็นผู้ทําผิดังนั้นการที่เรามาทำิาปทาใจทำสมาธิภาวนาวเพื่อเปลี่ทางิตปของเราให้มีพลังงานสู่สมาธิให้มีสติสูอความรู้สึกสำลังกินข้อวทั่วดี เรานอนจิตนอนใจนอนอารมณ์เข้ามาสู่ใจเพื่อให้รู้สภาพความจริงของใจของจิงแตแา่เรารู้ว่าจิตของเรานี่มันยังเป็นไปด้วยเจสนาที่ชั่วร้ายเราก็พยายามปฏิบัติศีลี่มันเซ่งัเข้า สิ่งใดที่มันมีเจตนามีแนวโนมไปในทางบุญทางกุศนทางคามดีทางศีลสมาธิภาวนามักสมนิถานสุขผนอบรมจิตของตนเองให้มีความเชงตัวต่อความเป็นเช่นนั้นหานสีบะมังสโพพติปิขาความอดทนความอดกลั้น ความทนทานเป็นตประการตัวความเพียรเผาผาจังยิ่งความโลภความเบืความหลงความรับความชอบความเกลียดมีปันอยู่ทุกคนเมื่อเรามีเจตนามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติปฏิบัติชอบเพื่อประจักษ์กิเลสทั้งหลายเหล่านั้น ส่วนไหนหรือที่เราจะปล่อยจิตของเราให้เป็นไปตามอำนาจของจิตโดยปราศจากสติสัมปชัญญะความยักยั้งขั้งใจขันติความอบอุ่นเราเรียนทำเรียนวิัยเราฟังทมฟังวิัยที่ผูปบาอาจารย์เองก็ดีวิธยทำดีก็ดี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 ในตอนตอนน้นๆแม้ว่าเราจะยังรู้สึกผูกใจเมื่อเรายังมีกิเลสอู่เราเห็นตาเห็นลูกความรักความเบียดก็มีเมื่อเรายังมีกิเลสเป็นปุจจิณณ์อยู่โอ้ได้ยินเสียงความรักความเบียดก็มีเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่ในมือลิ้น สัมผัสับรถความชอบความไม่ชอบย่อมมีเมื่อเรายังมีกิเลสอูกลินมาก็ชอบจมูกความชอบความเบียดย่อมมีเมื่อเรายังมีกิเลสอูการสัมผัสทางกายสิ่งที่ทาให้เราชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มี เราโน้กถึงอารมณ์ในทางสติดอารมณ์อดีตปัจจุบันในอนาคตความต้อบใจไม่ค้อบความคอบใจไม่คอบใจก็ย่อมมีเพราะเรามีกิเลสอยู่ดูกันที่ตรงนี้ดีไหมดูให้มันโล่แจง้งชัเจนลงไปว่าเรายังชอบอะไรอยู่ในสิ่งที่มันเป็นบาปอกุศล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 ในขที่เราแก้ไขมันยังไม่ได้เราก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะพิจารณาดูคุณว่าประโยชน์แหละไม่ใช่ประโยชน์เราใช้สันติความอดทนความอดกลั้นความอดทานจนมันเกิดเป็นสปาร ะ, ระาเพราะฟังคอยชินต่อการอดอดนทนถ้าจนเป็นเล็กไ เล็ไสาหมายถึงความโกยธชินทีแรกเราตั้งใจอดทนแต่ว่ามันอยากจะละม้มลดกล่วงเกินจิตใมันนุ่งตะตยิบยิบอยู่เอาดีหรือไม่เอาดีแต่เราอาศัยความอดทนพยายามน้อนจิตน้อนใจถ้ามันไปในทางที่ถูกที่ชอบที่ควนเมื่อพอพอพอจนข้อมตัวมันเป็นเนใ็ตสาย นึกใสก็ติดตามตัวจรินตอนที่เรายังไม่มีเศียรไม่มีธรรมความภาคภูของเราก็ไม่สู่ภาพเรียบร้อยกระโบกกระเดิบลงสดุดบางตรงตรไม่ใช่สันดานผู้ดีแต่เมื่อเราพยายามอดทนฝุกหัดค่อยย่องย่องเบาเบาตรงตรง you've heard ก็ต้องอดทนพยายามหาคำพูดที่สุภาพอรนโยนมาเปล่งออกคำบาปคำเสียสีคำพระหานินทาหรือคำว่าร้ายหรือการทำ ด, ด้วยเจตนาที่จะทำลายแล้วอดทนไม่ทำเช่นนั้นเพราะมันผิดสีอดทนด้วยจนข้างตัวจนเป็นเน็ตใสคนเราพูดคำบาป เราก็ปลุกผมออกลมให้มีแนวน้มยกติคุณพระพุธก็ทไปสมคุณสิงคุณทานที่เราบำเพ็ญมาแล้วในอดีตปัจจุบันและจะทําไปในอนาคตจนกระทั่งจิตของเรามีแนวน้อมไปในทางบุญทางบุญสมตลอดเวลาเป็นเนตใสเนตใสที่เราสร้างขึ้นด้วยกายสร้างทึ้นด้วยวาจาสร้างขึ้นด้วยจิตตัวเอง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 สิ่งที่เป็นอุปนิสัยที่สะสมอบรมบ่มเอาให้มากมากแร้วก็ถูก้นหนักแน่นลงไปเป็นวาสนาเป็นบาระมีในเมตถงขั้นแห่งอุปนิสัยวาสนาบาระมีตรงามความดีที่เราทำมาแล้วไม่ตอ้องลดถึงก็ได้มันมีอยู่ในจิตของเราตลอดเวลา จะใกล้จะตายไม่ต้องกระตันใจภาวนาไม่ต้องตั้งใจมลบถึงเพราะสิ่งที่เป็นอุปนิสัยวาสนาบารมีนั้นมันมีอยู่แล้วในจิตของเราเมื่อถึงเขาจําเป็นเมื่อไรเมื่อถึงเขากิเหตุร้ายเมื่อไรอุปนิสัยวาสนาบุญบารมีนั้นมันจะวิ่งพุ่งมาช่วยช่วยจิตช่วยใจของเรา เพราะนั้นพระพุทธเจ้าการจริงให้เราสุขัดตัดนิดใสัยให้ต่องตัวต่อาการทําความดีสุขัดตัดนิดใสัยให้ตั้งตัวต่อาการละความชั่วคือนความบาปหนาทีของผู้ศึกษาทําปฏิบัติทำโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงนับบุต นาที่โดยตรงก็คือพยายามละความทั่วโลกต้มแต่ตั้งจละโดยเจสนาถูกขนอกอกลมจนกระทั่งเป็นถูกอาการเป็นเล็กไสที่เคยกินต่อไปละ บ้างก็มีฟางโล้บ้าเตาวุ่นบางก็เพิ่งกระทั่งถึงขนาที่ว่าทาฟังฟังไม่รู้เรื่องฟังไปแล้วไม่รู้จะเอาไปทําอะไรไปปฏิบัติอย่างไรทางนี้ทางนั้นบอกว่าอุปนิสัยวาสนาปารามีต่างๆมาสนับสนุนให้เราเป็นเป็นนั้น ท่านพระสิแล้วพระเจ้าท่านกลัดว่าบัดทั้งหลายกันย่อนจำแมกบัดทั้งหลายให้เป็นไปต่างๆากันพวกคนมีความปรารถนาดีมีความต้องการดีแต่ทำดีไม่ได้เพราะอุปนิสัยวัสนาบารมีของเขาเคยสร้างแต่ความไม่ดีมา บางคนสามารถที่จะ ส, สร้างความดีปฏิบัติดีปฏิบททัติชอบได้อย่างเคร่งตัวสำนิทำนานโดยไม่มีภาระอันใดให้คนอื่นต้องลาบอยู่มันข้บมูลว่านนาบารมีของเต่าของเข้ามาสนับสนุน